ภาคบ่ายนี่ก็จะพูดเรื่องภาวนาล้วนๆนะเพราะว่าเราจะได้มีคนใหม่ๆที่ยังไม่ไม่ค่อยได้ติดตามไม่ค่อยได้ติดตามหรือติดตามแล้วยังภาวนากันไม่ถูกเลียวก็พูดเฉพาะส่วนที่เป็นอานาปานสติมีอยู่ แม้พวกคนเก่าก็อย่าเก่งไปบางทีมันก็เข้าใจว่าถูกเข้าใจว่าถูกอาจจะผิดอยู่ก็ได้ <c oughs> เรื่องที่การทำอาณาปานสติชาวอาณาเนี่ยมันจะต้องรู้อะไรบ้างเราจะต้องมีความรู้แล้วก็ทาสภาวะในความรู้นั้นในปรากฏเราจะต้องรู้เรื่องอะไรเนื่องนิมิตเรื่องลมยาวลมข้าว เรื่องลมหายใจออกลมหายใจเข้าว่ารู้ยังไงรู้ว่าสามอย่างนี้ออนารัมมณะเบกกะจิตตัสสะคือว่าไม่ได้เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนิมิตคือที่ตั้งของจิตรู้ที่ลมผ่านเข้าผ่านออกเรียกว่าที่ตั้งของจิตรู้ ไห้รู้โดยประมาณนี้แล้วก็ลมหายใจออกก็คือลมข้างในที่ไหลออกไปลมหายใจเข้าคือลมข้างนอกที่เดินทางเข้าสามอย่างนี้ไม่เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวหมายความว่าเวลาเรารู้มันไม่ใช่รู้ตัวเดียวแล้วจะได้ทั้งสามอย่างคือสามอย่างนี้ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ของจิตดวงเดียวเพราะว่ามันต่างแต่ละธรรมชาติกันออกไป นิมิตก็คือธรรมชาติของนิมิตลมหายใจเข้ า, ก, magical, าออ ก, ก็เป็นธรรมชาติของลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นธรรมชาติของลมหายใจออกถ้าเมื่อใดที่เราเอาเอาสามอย่างเนี้ยเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็เอาจิตเนี่ยเข้าไปรับรู้เรื่องสามเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันแสงดงว่าเรารวมสามเรื่องเข้ามาอยู่ในจิตดวงเดียวเข้าใจไหมเราเอาสามเรื่องเข้ามารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวด้วยวิธีอะไร ด้วยวิธีหายใจเข้านึกอยากจะวิ่งตามก็วิ่งตามนึกอยากจะวิ่งออกก็วิ่งออกนึกอยากจะวิ่งเข้าก็วิ่งเข้าในขณะที่หายใจเข้าอยู่นึกอยากที่จะรู้บนกระหม่อมก็รู้นึกอยากจะรู้ที่ท้องก็รู้นึกอยากจะรู้ที่ขาท้ายก็รู้นึกอยากที่จะออกไปบ้านก็ไปนี่คือมันเป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียว คือเราเข้าไปอยู่ในทุกที่เลยทั้งนิมิต ท, ทั้งลมออกลมเข้าอย่างนี้ผิดนะผิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูอะไรต้องมาดูนิมิตคือที่ตั้งของจิตรตู้ให้ชัดให้แยกเป็นธรรมชาติของเข้าไปตัวนิมิต ท, ที่ตั้งของจิตรู้มันคืออะไรอืม มันคือที่ที่ลมมันกระทบซึ่งเกิดขึ้นจริงลมมันกระทบกับตรงไหนกระทบกับตรงช่องจมูกเนี่ยที่มันคลูดที่ตรงเนี้ยตรงช่องจมูกที่เป็นพื้นผิวของช่องจมูกตั้งแต่ปลายจมูกลงมาจนถึงริมผีปากด้านบนนี้พอเราแตะปั๊บเรารู้สึกใช่ไหมเรารู้สึกเพราะอะไรเพราะมันมีกายประสาทอยู่ใช่ไหมแตะปั๊บมันมีกายประสาทอยู่ เมื่อลมกระทบลมไปกระทบกับอะไรกระทบกับกายประสาทจิตรู้เข้าไปรับรู้การกระทบอันนั้นมันเลยเกิดเป็นธรรมชาติสามอย่างธรรมชาติสามอย่างและลมที่กระทบเราเรียกลมที่เฉพาะลมที่กระทบนะลมที่กระทบกับกายประสาทเฉพาะนะจำไม่ดีเนี่ยถ้าถ้านิ้วนี้เออออเออไนี่ของใครวะอ๋อนี่ดีกว่าไว้ อันนี้เราเรียกแก้วใช่ไหมตอนนี้มันเป็นแก้วอยู่นะแล้วมันมากระทบกับหลังมือเรารู้สึกรู้สึกถึงสิ่งที่มากระทบที่หลังมือแก้วเนี่ยที่มากระทบกับที่หลังมือแล้วเรารู้สึกถึงการกระทบนี้แก้วนี้เป็นโผทับพามุมคือสิ่งที่จะรู้ได้ทางกายประสาท สิ่งที่จิตจะเข้ารับรู้ได้ทางกายประสาทสิ่งนั้นเรียกว่าโผฏพารมเอ้าเข้าใจคำว่าโผฏพารมยังเข้าใจไหมถ้าเปลี่ยนจากแก้วมาเป็นฐานเนี่ยไอ้นี่เป็นเรียกอะไรพอกระทบกับกายผิวหนังเนี่ยกายประสาทปั๊บแล้วเรารู้สึกได้อันนี้เป็นอะไรโผฏพารลมซึ่งโผฏพารลมไม่ใช่ ตรงนี้ใช่ไหมถ้าอันนี้พอกระทบปับ๊บเรียกว่าอันนี้เรียกว่าผู้ถ้าพารลมมาอยู่ตรงนี้แล้วเรียกว่าอะไรฟิ้งแก้วเป็นผู้ถ้าพารลมไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นลมหายใจที่มันไหลออกพอกระทบกับกายประสาทส่วนใดและเรารู้สึกได้ เรารู้เฉพาะจุดที่กระทบนั้นรู้ลมในส่วนที่เป็นโผทับพารมเมื่อลมมันครูดออกในขณะที่มันครูดออกไปอย่างนี้อกระทบปับ๊บเลยนะรู้สึกแล้วนะแล้วกระทบปั๊บเป็นโผทับพารมแล้วมันครูดออกไปเราก็รู้ตามการเวลาที่มันครูดออกไปจนสุดปับ๊บไอ้ลมที่มันกระทบเสร็จผ่านไปเป็นอะไร ลมที่มันกระทบเสร็จผ่านไปเป็นอะไรเป็นลมปกติแต่ลมที่กําลังกระทบอยู่เป็นลมอะไรโผฏฐาพ า, พ, พารลมเราจะต้องรู้ตรงเนี้ยรู้ลมที่เป็นโผฏัาพารลมมันคูดออกไปอย่างนี้ใช่ไหมทันไหมดูนะทันไหม น, นี่ทันปะทันนะแล้วมันคูดออกไปอย่างเงี้ยเรารู้ลมเฉพาะลมที่เป็นโผฏัาพารลมคูดไปคูดไปตั้งแต่ต้นลมคูดไปคูืไปเราก็รู้ จนสุดพอสุดปับ๊บจิตรู้จะทำหน้าที่อะไรรู้ลมคู่แรกจะมีจังหวะที่ลมมันจะหยุดจิตผู้รู้จะอยู่คอยจ้องรู้ผัถัพพารมที่ไหนที่นิมิตนิมิตจึงเป็นแค่ที่อาศัยถุงยังเออเพราะฉะนั้นพอระหว่างนั้นเขาก็แค่รู้แค่รอรู้ จ้องรู้แล้วก็พอลมหายใจเข้าเริ่มเข้ามาก็รู้ตรงไหนอีกรู้อะไรรู้ลมที่เป็นโผถับพารลมนิ่งนิ่งอยู่ที่เดียวตามระยะเวลาที่เขาคลูดไหลคลูดเข้าไปถือไอ้นี่ที่เข้าไปนี่เป็นเลยเป็นลมปกติไม่ใช่โผถับพารลมแล้วใช่ไหมไอ้ที่ยังไม่กระทบก็ยังไม่ใช่โผถัพารล์ใช่ไหมเราดูเราไปตามรู้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ดีกว่า ออกไปข้างนอกก็ไม่ได้เข้าไปข้างในก็ไม่ได้รู้อยู่จุดเดียวที่เป็นโพธาภารมณ์ใช่ไหมตสุดปับ๊บลมมันหยุดจิตผู้รู้ก้อยเข้าวอยู่บริเวณของนิมิตเพื่อที่จะจ้องรู้โพธาภารม์ของลมหายใจออกต่อไปเข้าใจไหมผ้านในระหว่างนี้มันกัดแกงไปที่ไหนแต่ในอาศัยการสํารวมสํารวมจิต เพื่อเข้ามาสำรวจจิตเพื่อเข้ามาพร้อมที่จะรู้อยู่ที่นิมิตบริเวณของนิมิตสงสัยอะไรบ้างถามเสี่ยวชวนมีความสงสัยแทนคนอื่นบ้างัหมช่วยสงสัยหน่อยแบบแบบเปลือกเปือก <c oughs> แทนคนอื่นเราให้พวกเราสังเกน สภาวะที่เราบอกว่าเรารู้กับรู้สึกลยซึ่งเขาแจกไร้ไร้กันแต่เขาจแจกเรอถ้าสังเกตตรงนี้ครับเราดูความแตกต่างกันได้ถ้าเรารู้ลมจิตรู้ว่าเขาเกาะลมที่จริงเขาคือลมมันไม่ใช่โผล่ผ่านลมมันจะมีความสุขเลขทกๆ <c oughs> แต่พอ เขารู้สึกตรงโผตะพาลมมันจะเป็นควารู้สึกที่มันจะมันจะเป็นความรู้สึกหนึ่งมันจะไม่ไม่เด่นเด่นแบทีเ่เราบอกลงอืมเข้าใจไหมเข้าใจปะเข้าใจไหมปูเป้จริงๆแล้วมันคืออะไรจริงๆแล้วก็คือจิตผู้รู้เป็นธรรมชาติของจิตผู้รู้อย่างหนึ่งโพล่ตพารมก็คือโพธ่ตะพาลมอย่างหนึ่งถ้าเมื่อใดที่เออ่ จิตผู้รู้ไปอยู่กับลมกลายเป็นเราหายใจเข้ากลายเป็นเราหายใจออกแล้วตัวรู้มันจะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวรู้แล้วกลายเป็นเราเป็นคนทำงานทั้งหมดเลยแต่ถามว่าไอ้ลมคู่แรกอะอยู่ๆเราจะเอาอำนาจอะไรฮะ เราจะเอาอำนาจอะไรให้มันมีลมหายใจออกเกิดขึ้นจิตคู่แรกอะไอ้เดิมทีเนี่ยเรานั่งเรานั่งมาคุ้นรู้อยู่กับน้าชาที่กำลังจะจิบอือเดี๋ยวเราจะรู้ลมหายใจไว้ลมแรกพอเราจะรู้ลมหายใจไว้มันหยุดนะไอ้ลมแรกก่อนที่มันจะออกมาเนี่ยมันมาด้วยอะไร การกำหนดเพราะฉะนั้นไอ้การกำหนดเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าอันนี้คือประชานาติไอ้การกำหนดลมที่ยั้งไว้เนี่ยแล้วลมก็ค่อยๆไหลออกมาเราไม่ใส่ใจการกำหนดนั้นเผลอไปใส่ใจการกำหนดไม่ได้การกำหนดมันเป็นธรรมชาติของการกำหนดอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าพอป๊อปถึงนิยมให้พวกเรา ทำจิตคู่แรก้วยกันตั้งใจว่าตั้งใจว่าตั้งใจว่าเราจะรู้สึกกับลมหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกและปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาช้าๆพร้อมกับจิตรู้ที่เข้าไปรู้สึกต่อลมหายใจที่ไหลออกนั้นไอ้คำพูดทั้งหมดเนี่ยมันมีเจตนาเข้าไปร่วมล้วนเป็นการกำหนดทั้งนั้นแต่มันถูก ถูกละเลยคือไม่ได้ให้ความสำคัญไปโดยปริยายเข้าใจปะ่ะการทำอย่างนี้จะทำให้เราไม่ไปเผลออยู่กับการกำหนดจะทำให้การกำหนดมีอำนาจน้อยมากเบามากแต่ตัวรู้จิตผู้รู้เขาจะมีกำลังมากกว่าถ้ากลับว่าเราไปให้ความสำคัญต่อจิตผู้รู้ที่เข้าไปคอยรู้ลมตรงโผถับพาลมตรงนั้นนี่คู่แรก แล้วถ้าเราสังวรเราคอยรู้อย่างนี้ต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปต่เอตเนื่องไปแต่พระพุทธเจ้าท่านใช้สัพท์ว่าปัจจานาติที่มีการกําหนดรู้ลมหายใจเนี่ยแค่แค่สองขั้นนะแค่ดูจะดูะเฉพาะโลรู้ลมยาวกับลมสั้นเท่า น, ทนั้นแต่ต่อไปนี่ท่านหลุดออกไปเลยท่านใช้สับว่าสิกขิคือจิตรู้อยู่เป็นอิสระแล้วก็ ศึกษาลมเข้าลมออกศึกษาสภาวะที่มันเกิดขึ้นในนั้นเป็นเรื่องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมีการกําหนดก็ร่วมเลยคือมึงจะมากก็มามึงจะไปก็ไปมึงจะออกก็ออกมึงจะเข้าออก็เข้าเรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันฉันมีหน้าที่แค่ดูรู้ดูดูดูชายสภาวะสิกขิซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องราวของความรู้ที่เราจะต้องมีพอเรามีความรู้อย่างนี้แล้ว พอเวลาเราไปปฏิบัติอ่ะมันจะไม่ได้ออกนอกนี้แล้วมันจะไม่ได้ออกนอกนี้เมื่อเรารู้จักสับว่าโผถภาโ ร, ารสัปวิมิตเราก็รู้แล้วที่ตั้งของจิตรู้มันอยู่ตรงไหนของเราตัวเรานี่มันอยู่ตรงไหนเพราะเรารู้เรื่องโผถภารมเรารู้แล้วเราควรเข้าไปรับรู้รับรู้ลมอย่างไรพอมันรับรู้ลมถูกเนี่ย พอรับรู้ลมที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันเหมือนกับติดกระดุมเม็ดแรกถูกไอการรับรู้ลมที่โผทภตพารมมันละลายทุกอย่างสมมุติว่าเราเคยไปทําใช้คําภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆยกตัวอย่างนะพระทูมมตบอนว่าเราหายใจเข้า พุโทโธธรมโบสังโฆ ห, ห, หายใจออกพุทโธธัมโบสังโฆหายใจเข้าพุทโธธัมโบสังโฆหายใจออกพุทโธสังโฆเรามาทําอานาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราจะไปรู้โผล่ถ้ปปารลาลมลมชนิดที่เป็นโผล่ถ้ปปารมาลได้ไหมไม่ได้เลยมันแทรกเข้ามาไม่ได้เลยเราไม่จําเป็นจะต้องเลิกไม่จําเป็นที่จะต้องเลิกการปฏิบัติของตอนเองที่เคยฝึกฝนมาเพียงแต่ว่าเราจะต้องพักมันไว้เพื่อที่จะมาทําอานานี้ให้มันถูก พอเรารู้ลมหายใจในส่วนที่เป็นโผทะพารลมไปเรื่อยๆเรื่อยๆตัวผู้รู้เขาก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นเวลาตัวผู้รู้ก็มีกำลังเพิ่มขึ้นลมก็จะปราณีตขึ้นรู้ผ่านไปสักไอ้ลมคู่แรกสองคู่แรกสามคู่แรกจะทำให้เรารู้สึกโอ้โหยมันรูดร้ดีรู้ชัดรู้ชัดพอไปสักพักคู่สี่คู่ห้า กำลังของจิตผู้รู้ก็จะแผ่วลงพอกำลังของจิตผู้รู้แผ่ลมลมแต่ว่าตัวลมยังหยาบอยู่การกระทบไปเนตีเป็นโผล่ตับพารมมันก็ยังหยาบอยู่แต่ตัวรู้มันแผ่วลงมันก็พอแผ่วปั๊บมันเป็นไงไหลอ๋พบถ้านมันแผ่วลงอะ่ะในขณะที่โผล่ตับพารมมันยังมีอยู่แล้วก็เป็นลมหยาบอยู่แต่จิตผู้รู้มันแผ่วลง การเข้ารับรู้ต่อผูตพารมนั้น่ะมันแผ่วลงจิตู้รู้ก็จะไหลตัวรู้มันก็จะไหลออกไปตัวรู้ไหลก็คือว่าจิตมันจะไหลไหลไปไหนไหลไปคิดไหลไปปรุงถ้ามันไหลออกไปแล้วเราเข้าไปอยู่ในการไหลของจิตเรียกว่าเราเข้าไปอยู่ในความคิดนั้นเป็นเราคิดเราก็เช่าถูการปรุงของมันอันี้เกิดขึ้นได้ไหมง่ายมากอะ่ะ เพราะมันคิดกันมาทั้งกะปีทั้งกะชาติถูกปะ่ะไอเราทํำยังไงเราเราต้องรู้ตัวเสร็จแล้วเราต้องกลับทํำยังไงไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องที่เขาไหลไปนะแค่รู้ว่ามันมีการไหลเกิดขึ้นพออย่าไปพิจหนะ้าว่านี่โอ้ยนี่มันไหลแล้วนี่นี่มันคิดนี่เนี้ยเนี้น่ะไอ้นั่นนะ่ะมันลงไปอยู่ในุนในตัวมันแล้วเออแค่รู้ว่ามันไหลไปแล้วหน้าที่เราคืออะไร กลับมาสู่โผฏฐารมเพราะฉะนั้นสัพท์ที่จะพยายามพูดให้ติดปากว่าโผฏฐารมโผฏฐารมเราต้องเข้าใจในชั้นของสัญชาตญาณเลยนะว่าโผฏฐารมคืออะไรคือลมที่ไปกระทบกับกายประสาทแล้วจิตเข้าไปรับรู้ได้ทําไมต้องพูดว่าจิตรู้เข้าไปรับรู้เพราะถ้าจิตรู้ไม่เข้าไปรับรู้มันจะเป็นโผฏฐารมไหมไม่เลยค่ะแม้นว่าตรงนี้เป็นกายประสาท เออแต่ว่านั่งมองยมภัยวันอยู่ดูยมไัวันอยู่ยยถือถือเนี่ยทำช้อนตกนลัางมือไม่รู้สึกไม่รู้สึกลังมือมีกายประสาทช้อนก็เป็นรูปอารมณ์อย่างหนึ่งที่ไปกระทบกับกายประสาทแต่จิตรู้ไม่เข้าไปรับรู้ถึงการกระทบ มัวจะไปนั่งโยมไปวันดูโยมไปวันว่าแกบอกว่าแกพอนั่งสมาธิแล้วแกรอนจะดูจ้องดูว่ามันมีเม็ดเหืออยู่ที่ใบหน้าแกหรือเปล่าไอ้นี่กระทบแรกกระทบอีกไม่รู้สึกการกระทบนี้จะเป็นโผถพภารมไม์มไม่เป็นเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถรู้ถึงลมที่เป็นโผถาพารม์ครานั้นนะ่ะกระดุมเม็ดแรกติดถูกรังแล้วแต่มันยังไม่สเสด็จ <laughs> มันกำลังเสียบมุมของกระดุมเม็ดแรกเข้าไปสู่รังกระดุมรังแรกเ <laughs> ข้าใจเปล่าเออเส <laughs> ียบเข้าไปแล้วถูกแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องฟังเวลาพูดเนี่ยในแต่ละประโยคท่านจะต้องฟังทำความเข้าใจให้ดีแล้วมันจะง่ายมากเลยอยะง่ายจริงๆนะพระเจ้าบอกท่านโตบนันีโตอาเซชนาโก สั้นโตคือสังหบปานีโตคือปราณีตมันสงบทันทีนะทำไมมันจึงสงบทันทีคิดว่าทำไมมันถึงสงบทันทีโดยสถานภาพของจิตเ อ, เ, เออเออก็ีก็เรีย ก, กว่าเป็นคำตอบที่ไม่ได้สวยหรูอะไรแต่ออกมาจากการปฏิบัติของตนเองอ ที่มันสกบสันทีเพราะอะไรเพราะว่าเดิมทีอะจิตเราเนี่ยอยู่ตรงนี้มั่งคนนั้นมั่งคนนี้มั่งโทรศัพท์มั่งเฟซมั่งไล่มั่งท่องโน่นมั่งเมากันมั่งนินทากันมั่งเรื่องกินมั่งเรื่องเตี่ยวมั่งเรื่องคู่ครองมั่งเรื่องว่าไปเลยวุ่นวายหมดแต่พอยกเข้าโพธิปารมณ์มันคลายตัวออกมาจากทุกๆเรื่องที่มันเกาะอยู่ นึกสภาพความสงบเกิดขึ้นไหมมันคลายตัวออกจากทุกๆเรื่องเลยคลายตัวออกจากทั้งหมดเพื่อมารับรู้โผทับพารมซึ่งองค์ประกอบของโผทับพารมก็คือลมที่มันกระทบกับกายประสาทแล้วจิตรู้เข้าไปรับรู้ได้ถ้าเขาไปเข้ารับรู้ในส่วนที่เป็นโผทับพารมแสดงว่าอะไรแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่าเขาคลายตัวออกจากทั้งหมดใช่ไหม เออโกรธกับใครมาอิจฉาริษยาใครมาเจอเงินที่ไหนเป็นหนี้ใครกี่บาทมันคลายมาหมดเอออารมณ์จรทั้งหลายทำอะไรมันไม่ได้ในขณะนั้นน่ะนั่นมันเข้าสู่ความเป็นปณิโตเข้าใจอย่างทีนี่ชัดไหมอืมสั้นโตทีนี้ปณิโตปณิโตก็คือว่ารู้รู้ที่หมดแภารมแบบเนี้ยต่อเนื่อง ไปเรื่อยๆจิตผู้รู้นี้จะมีกำลังเพิ่มขึ้นพอจิตผู้รู้มีกำลังเพิ่มขึ้นโพตะพาลมที่เกิดเนี่ยจะละเอียดเรียบเออจะละเอียดเรียบและก็สนิทลมที่ไหลออกไหลเข้าจะไม่ค่อยกวัดแกงแล้วจิตรู้โพตะพาลมนี่เขาจะรู้ตามระยะเวลาความนานของเวลาไม่ใช่ความยาวของลม แต่รู้ตามความนานในเวลาของลมเข้าใจความนานแล้วใช่ไหมมันรู้ความนานกับมนะัน่ะเหมือนกับเหมือนกับที่เคยยกตัวอย่างให้กวางว่าเรายืนอยู่แล้วมีงูตัวหนึ่งเลื้อยหลังเลื้อยผ่านหลังเท้าเราอะเราไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกที่หัวงูยันทางยังหา ง, งูนะเรารู้สึกที่มันกระทบแล้วมันเลื้อยไปเนี่ยอจนมันสุดไปเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันยาวแค่ไหน เ <c oughs> ข้าใจว่าเหมือนกันเลยเหมือนกับลมที่มันกระทบปั๊บแล้วมันคลู่ออกไปเรารู้อยู่จุดเดียวที่กระทบปุ๊บเวลาเข้ากับรู้จุดจุดนี้หรือเหมือนคนที่เลื่อยไม้เอานี่ไม้ใช่ไหมนี่ไม้เราก็เลื่อยไปคนเลื่อยไม้เนี่ยเขาจะรู้ดูเฉพาะตรงไหน ต้งที่ฟันเลื่อยมันไปกินกับเนื้อไม้ใช่ไหมปืดปืดปืดปืดปืดปืดโอ้โหแอคชั่นเหลือเกินใช่ไหมแต่คนเลื่อยไม้มันจะไม่ไปวิ่งดูไอ้ไอ้ไอ้เลื่อยตัวเลื่อยหรือตัวมือที่มันไม่วิ่งอย่างนี้แต่มันดูนิ่งนิ่งที่ไหนที่ฟันเลื่อยกินกับเนื้อไม้ปืดปืดปืดปืดปืด ก็จ ย, ยังเออเมื่อเมื่อเขาประครองการรู้โพธิพารมณ์นี้ที่มันเข้าสู่ความสงบดังกล่าวต่อเนื่องไปเรื่อยๆตัวติดผู้รู้ก็จะมีกําลังมีกําลังขึ้นการที่ติดผู้รู้ก็มีกําลังขึ้นเนี่ยลมที่เป็นโพธิพารมณ์จะละเอียดลงจะเบาลง เข้าใจปะเขาจะบอลเพราะเขาธรรมชาติคนละส่วนกันถ้าเขาเป็นธรรมชาติเดียวกันจิตผู้รู้มีกําลังขึ้นไอตัวโผธพธิปรมมันก็จะต้องมีกําลังขึ้นถูกไหมถ้าเขาเป็นตัวเดียวกันแต่เขาเป็นธรรมชาติคนละตัวจิตผู้รู้ก็คือจิตผู้รู้จิตผู้รู้เขาจะมีกําลังขึ้นในขณะที่เขาคลายตัวออกมาจากทุกๆเรื่องมาอยู่ในเรื่องเดียว แล้วก็ต่อเนื่องกันไปับเขาก็คลายตัวมาเสร็ จ, าจาก็จะสงบก็มีกำลังขึ้นพอเขามีกาลังขึ้นลมที่เป็นโผตับาร ม, มก็จะละเอียดและปราณีตลง้ลานละเอียดและปราณีตของลมนั้นมันจะเป็นยังไงมันจะสั้นลงมันจะสั้นลงโดยที่เราไม่ได้คาดหมายคาดหวังวงการใดๆทั้งสิ้นมันสั้นของมันเองถูกปะการที่เขาสั้นของเขาเองเนี่ยหมายความว่าไง ลมนั้นได้แยกออกไปเป็นธรรมชาติของลมโดยเบ็ดิสธิ์ตรงนี้เข้าใจไหมลมได้เป็นธรรมชาติของลมเองไม่เกี่ยวกับเรานั่นก็สั่นลงและจิตผู้รู้ที่รู้ในการกระทบก็ยังคงรู้ผู้พารมแต่ผู้ถ า, ารมลมลมเมื่อเขาสงบและเขาปราณีตขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นผู้พารลมแต่เดิม แต่เดิมมันปืดปืดพอก็สกบประณนี้ขึ้นมากอจะปืดนะแล้วก็จุดนานานก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใช่ปะ่ะแล้วก็ปืดสกบลงไปอีกปานี้ลงไปอีกก็ปืดปืดสกบไปอีกประานี้ลงไป สั่งหบลงไปอีกพระอาทิตย์ลงไปอีกปุ๊ดนิง่ง น, น, นานๆเราถึงตอนนั้นเราเป็นไงเอาไม่ต้องหรอกเราไม่ต้องเราพวกเราไอ้บางคนนะบางคนแต่ที่บางคนก็ผ่านแล้วบางคนพอมันพอลมมันสั้นอย่างเงี้ยปุ๊ดแล้วลมมันนิง่งลมมันไม่มาอ้าวผู้รู้ไปไหนวิ่งลงนี้มัง่งเข้าร่องขึ้นโน่นมัง่ง แล้วก็พอไม่มีกำลังของผู้รู้ที่มันมีกำลังมากแต่หาอารมณ์ที่ตนอยู่ไม่ได้ก็จะรู้สึกพองมั่งรู้สึกเป็นสภาวะไปตามกำหนดทั้งหมดอะที่เข้าไปเสวยต่างๆนานาอย่างนั้นมันผิดหรือถูกผิดที่ว่านี่ไม่ใช่ผิดโอ้ไม่ใช่ผิดชัวช่วชาสามานนะ ผิดที่ว่านี่คือผิดกิจผิดกิจผิดหน้าที่แต่มันไม่ใช่ผิดชั่วชาสามันซึ่งทุกคนผิดหมดแหละมันเคยผิดหมดแหละถ้ามันถูกกันง่ายง่ายพระพุทธเจ้าจะจะตรู้โอ้โหว่าจะตรู้พูดในควังทีนหรือเมื่อเช้าใช่ไหมแต่มันง่ายขนาดนั้นแต่ว่าจุดที่ถูกต้องมันมีอยู่จุดเดียว เส้นทางที่ถูกต้องมันมีอยู่เส้นทางเดียวก็พอพอมันหลุดออกไปใช่ไหมหลุดไปก็กลับมาที่ไหนหน้าที่ของเรามียังไงกลับไปที่ไหนกลับไปที่นิมิตเพื่อที่รู้โผฏพาพมอย่างเดิมแล้วไม่ต้องไปใส่ใจว่าโผฏฐาพลมที่เรารู้อยู่นี้มันยาวหรือสั้นถ้าจิตแรกเริ่มต้นในการเข้ารู้ลมหายใจอาจจะเป็นการกาหนดให้ลมมันยาว แต่หลังจากที่เขาเดินไปจนเป็นธรรมชาติของเขาแล้วไม่ต้องไปสนใจแล้วว่ามันยาวหรือสัน้นแค่รู้ในโพธพภารมตามระยะเวลาที่เขาเกิดขึ้นตามความเป็นจริงแค่นั้นพอมันยาวก็รู้ไปตามยาวยาวก็รู้ไปตามนานสั้นมันก็รู้ไปตามเวลาที่นิดหน่อยนี่คือการปฏิบัติอาณาในช่วงแรกนี่ต่อไปโอกาสอะไรที่มา จิตผรูที่เขายัางมีกำลังไม่แข็งแรงไม่มีกำลังมีกาลังแข็งแรงไม่พอเพราะความเพียรเรายัางอ่อนอยู่เนี่ยในระหว่างที่รู้ลมมันก็จะเกิดการกวัดแกว่งถ้าเกิดการกวัดแกงเมื่อกี้ไหลไปใช่หมไหลไปไหลไปทำไงยกกลับมาอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจยกอย่าท้อยก ก, ยกลับมาการยกกลับมาขยันยกกลับมาเพื่อรู้ลมบ่อยๆนี่เรียกว่าอารัฐวิริยะ หรือการปรารบความเพียรทําบ่อยๆมันจะทําให้ความเพียรเกิดการมีกําลังและต่อเนื่องมันเหมือนมันเหมือนอมันเหมือนเราทําบันไดหรือเมือนเราทําบันไดทําบันไดสิบขั้นนั่นหมายความว่าอะไรบันไดสิบขั้นขั้นละห้ิเซนนั่นเท่ากับเราเดินทางได้ขึ้นไปข้างบนสูงถึง เฮ้ยห้าร้อยเลยหรอฮะบันไดขั้นละอาสิบเซนเราทําบันไดสิบขั้นเท่ากับเราขึ้นบันไดสิบขั้นนี่เท่ากับเราขึ้นได้ห้าร้อยเซนถูกปะเท่ากับเราขึ้นได้ห้าร้อยเซนเพราะฉะนั้นการขั้นบันไดเป็นอย่างไรการยกบารบความเพียร ขยันปรารบความเพียรบ่อยๆเนี่ยวางชนการขยันยกจิตเพื่อปลารบความเพียรบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันเหมือนการเพิ่มขั้นบันไดเหมือนการต่อขั้นบันไดมันจะทําให้จิตเข้าสู่ความเพียรได้ทําให้ความเพียรของเราอยู่ในลักษณะการประคองมากขึ้นมากขึ้นและความเพียรนั้นแหละมันจะเป็นวิริยนิสี ความเพียร น, นี่แหละมันจะเป็นวิริยะสัมโพชฌงความเพียร น, นี่แหละมันจะเป็นวิริยาที่ปัตเตยะในฉันทาทิบาทความเพียร น, นี่แหละมันจะไปเป็น อ, อริยทรัพย์ไม้กรจิตโอมาจากการปรารกความเพียรคือยกขึ้นบ่อยๆ ย, ยกบ่อยๆยกบ่อยๆ อันนี้ในกรณีที่เขาปวดในกรณีคือาไหลใช่ไหมในที่ในกรณีที่เขาปัดแว่งนี่เราพูดกันถึงขนะที่ว่าจิตผู้รู้ก็ยังอ่อนอยู่นะพอเราเรารู้ลงหมายใจผ่านไปสองคู่สามคู่สังเกตไหมล่ะไอ้คู่แรกมันดีมากเลยนะท่าดีดีทั้งท่าดีทั้งทีทียังดีอยู่ไม่เหลวพอผ่านไปสามคู่สี่คู่ท่าดีทีไปไง ทีเริ่มเหลวไอ้ท่าดีทีเหลวนี่มาจากไหนรู้ไหมฮะมาจากไหนไอ้ภาษาหมากรุกท่าดีคือการเดินการย่างมากการเรียงเรือดีมากทีไปดูตอนไหนทีกคือการหลบขุนการทำทีขุนท่าดีสองสามคู่แรกกูท่าดีทีก็ดี คือทีดีหมายความว่าไอ้ตัวรู้มันอืมมันรู้ได้ดีพอผ่านไปสักหน่อยตัวตัวรู้อ่อนกําลังลงจิตเริ่มไหลทีเริ่มเหลวทีเริ่มเหลีวเพราะนั้นพระสารีบุตรท่านเลยบอกทุกส่วนเนี้ยว่าสิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นอันตรายต่ออาณนาะคำว่าอันตรายไม่ได้ไหมายความว่าทําให้เราผู้ปฏิบัติตายนะแต่ว่าอันตรายหมายความว่า มันทำให้เรารู้ลมไม่ได้ดีเข้าลมไม่ถูกพระสารีบุตรตั้ขยายความไว้เรียกว่าอุปกิเลสในอาณาสิบวกอย่างก็ไปหาอ่านได้เองนในภาษาปฏิสัมพิธามักข้ออาณาปานกักถาพระสารีบุตรตนกล่าวไว้ไปอ่านดูสิเข้าใจไหมออมันปัดแ่งมันออในขณะที่ลมมันออกอยู่ เกิดปรารถนาลมเข้าในขณะที่ลมกำลังเข้าอยู่ปรารถนาลมออกในขณะที่ลมเข้าอยู่จิตหลุดออกไปในอดีตในขณะที่ลมเข้า อ, ออกอยู่จิตหลุดไปอนาคตสิ่งเหล่านี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่จิตลมกำลังออกอยู่จิตหลงไปหาลมเข้า ในขณะที่ลมเข้าอยู่จิตหลงไปหาลมออกในขณะที่จิตลมกำลังเข้าอยู่จิตแล่นเข้าไปในอดีตในขณะที่จิตลมเข้าอยู่จิตแล่นไปอนาคตซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องหยิบออกไปเราจะต้องหยิบออกไปไม่ใส่ใจ สภาวะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในการที่ขณะที่เรารู้ลมหายใจต้องไม่ใส่ใจแค่รู้แค่รู้เสร็จแล้วปล่อยไปแล้วเข้าไปรู้ลมแค่รู้เสร็จแล้วปล่อยไปแล้วแค่เข้าไปรู้ลมเพราะฉะนั้นกิจเบื้องต้นในการรู้ลมหายใจคือรู้ถับพารมณ์รู้ถับพารมณ์นี่เข้าใจอย่างผู้เป้ เอ้เข้าใจยังแมนแมนแล้วนะโอ้เอ้ด้วยนะเข้าใจยังสองคนสองคนหลังอคนหลังเนี่ยกลังพยายามากเข้าใจไหมอยากไหมลูกอยากมามันอ่าากระจไปอลไปจุดีองุดอย่ายากทำไม่ได้ออยากนี่เป็นอันตรายอย่างหนึ่งเรียกว่าตัณหาจริยา ไ อ, อ้อยากทําไม่ได้เนี่ยทุกคนบางคนถึงขนาดน้าโง่น้าตาโง่โง่ไหลรั่งพลูก็เจอกันมาหมดแล้วมันไม่เจอเธอคนเดียวคนแรนี่ น, นี่นี่เธอนี่ก็อย่างพวกเธอที่มาลัดท่านตรงมากเลยนะเนี่ย <c oughs> จึงจะได้ไม่เจอคำพูดแบบนี้พวกพวกนี้ก็นนําตาไหลก็นอาบแก้มกันมาไม่รู้เธอเท่าไหร่แล้ว เพราะอันนี้แหละเขาเรียกตันหาจริยาต้องหยิบออกต้องหยิบออกกลับไปไหนกลับไปโพธพปรารลมกลับไปรูลมที่กระทบนี่แหละแน่แน่อยู่กับการรูลมกระทบแต่เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยไปคุยกับพีทุวั น, ท, วนทุวันช่วยก็นหน่อยนะเออจี้กันหน่อยให้มันได้ชัดๆมันจะได้กลับไปบ้านทําถูกอืำ จะพยายามให้มันชัดส่งนั้ อ, อย่าอย่าอย่าไปพยายามอยากให้มันชัดอย่างนี้เอาหนูไม่รู้ว่าจะใช้คาไหนแค่เอาแค่เนี้ยเพียรรู้เพียนรู้แค่แค่เพียรรู้ลมที่จะกระทบกับกายประสาทที่เรียกว่าโพธาภารลมนะเพียนรู้โพธาภารลมพอเนี่ยพอมามาได้สัตย์ทำได้รับุ่ดเราที่เราทำมาถึงทุกวันเนี่ย มันมันถูกไหมจริงมันก็เหมือนที่พระอาจารย์พูดอะค่ะมันก็มีส่วนอะแต่พอเสร็จบางตัวเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะต้องยังไงต่อไปพอเราลองเขวซึ่งสวรรค์บ้างองเี่ยนรประมาณนี้เียก็ถือว่ามันจะทถูกยัง้ันทได้ไมเออย่างเงี้ยคือคือหนูไม่ได้หนูยังไม่ได้อนาลังสติแบบแบบนี้เลยนะคะออใุจริงว่าเออเอาละก็เอาเจให้ถูกที่ ไม่ยากหรอกทาเพียง่าก็มาแ่ไรต้องได้ไปเออแอาจนหนูจะบอกว่าใจเย็นเย็นปกอใจเย็นเย็นแล้วทำแล้วแต่้คูบาารแต่ละท่านก็สอนไม่เหมือนกันเนาะแทีไอ้สิ่งที่เราปฏิบัติมามันน่าจะใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่อยู่ที่เรานะเรื่องทั้งหมดไม่ใช่อยู่ที่เรา ลมหายใจออกก็เป็นเรื่องของลมหายใจออกมันมีเหตุปัจจัยของมันอยู่ลมหายใจเข้าก็เป็นเรื่องของลมหายใจเข้ามันมีเหตุปัจจัยของมันอยู่จิตผู้รู้มันก็เป็นเรื่องราวของจิตผู้รู้มันมีเหตุปัจจัยของจิตผู้รู้อยู่โผตพารล์มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของโผตพารล์แต่ละอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอ้ไรเลยไม่ได้ยื้อขึ้นอยู่กับเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้านะ มันมีเหตุมีปัจจัยของมันเป็นธรรมชาติแท้ๆของมันอยู่แต่พระพุทธเจ้าท่านชี้ให้เราว่าเราควรเข้าไปรู้อะไรเป็นอย่างไรเท่านั้นเองอื ม, อมไม่มีใครจะยิ่งใหญ่ไปกว่าธรรมชาติที่เป็นจริงถูกปะ่ะเออเรารู้ตามความเป็นจริงของธรรมชาตินี่แหละอ่าทีนี้เวลาเวลาเรารู้ ในขณะที่เรารู้เราหมายใจอยู่นี้มันจะมีอะไรอีกล่ะเขาเรียกว่า น, วรรรนิวรธรรมนิวรธรรมนี่คือเป็นสภาพที่มันจะขึ้นมากั้นกั้นเราหน้าที่เขานะหน้าที่เขานะเออหน้าที่เขานะเขามีหน้าที่ขึ้นมากั้นเราไม่ให้ออกไปสู่สิ่งที่เราอยากจะไป ยิ่งเราอยากจะทำให้ได้เท่าใดเขาจะยิ่งมีกำลังนะแล้วเขาจะเพิ่มเติมอะไรให้กับเราความทอ้อเขาเพิ่มความท้อให้กับเราไม่พอไม่พอเขาชี้ทางชี้ทางให้เราไปด้วยโอ้ยกูมานั่งทำไมลวะวะปรบไปอยู่ที่ห้องเปิดแอร์เย็นๆสบายๆไม่ดีกว่า คือก็ชี้แนะเรียบร้อยก็ทำงานเด็ดขาดมากนี่วรธรรมมัน <c oughs> <c oughs> หลายคนท้ออกท้อใจคืออยากจะปฏิบัติให้มันดีอ่ะอยากจะปฏิบัติให้มันดีอยากจะปฏิบัตใิตให้มันได้แต่มันมีมันไม่ได้มันเป็นอยู่อย่างนี้แค่นี้ก็ปล่อยมันไปตามเวณตามกรรมของมันแล้วกันคุ้ไม่เอาล้ อย่างนี้ก็จบอันนี้เรียกว่านิบรธรรมนิวร น, นี้เขามีหน้าที่ทำเรากั้นเนี่ยให้เรามามารู้สึกแบบนี้แลมันกั้นเราไงแล้วแล้วพอเขาเขากั้นได้นะพอเขากั้นอย่างนี้ได้เขาไม่ใช่มาคนเดียวเขามาเป็นองค์คาพยพพอนั่งนั่งไม่ได้ดังที่ปรารถนาเบื่อท้อใช่ไหม ไปดีกว่าหลังจากนั้นอะไรมาถ้าจะยังอยู่เนี่ยจะหุดหิตโดยสมมุติว่านั่งอยู่อย่างเงี้ย ไ, ไอตัวแรกมากั้นแล้วไม่เอาแล้วแต่ว่ายัางต้องนั่งต่อพอนั่งต่อนี่หุดหิตหุดหิตกับการนั่งแล้วเ <S S 2> บื่อมากเอาเพื่อนชวนมาเนี่เพื่อนชวนมาเนี่ ย, ยถ้าหุดหิดนะเบื่อหน้าเพื่อนเลยนะ เบื่อหน้าเพื่อนเลยนะเพราะมันนี่นี่คือเขาล้วนๆนะพวกเขานะเขามากันเป็นพวกๆหลังจากนั้นมันก็เกิดการสงสัยหยาบๆว่าไอ้พวกที่มานั่งนั่งกันอยู่นี่มันก็คงไม่ต่างไปจากเราเหรอกมันก็นั่งนกันงั้นเหรอแล้วในที่สุดมันก็สงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นไงไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครมันจะเคยเห็นสองพันกว่าปีแล้ว คำพีทั้งหมดไอ้ข้อปฏิบัติที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี่ไม่รู้ใครมาเขียนโน้มื่อไรก็ไม่รู้โอ้ยไม่เอามันยิ่งคลายออกนี่เรียกว่าเกิดอสัตธิยาสภาวะคือสภาวะที่คลายความเชื่อออกไปมันก็จะยิ่งทำให้ไอินิี่วัธรรมนั้นที่เป็นเครื่องกั้นนั้นมีอำนาจมีอำนาจและในที่สุดเราก็ถูกตัดขาดจากวงจรของมันออกไป <laughs> เพราะฉะนั้นน่ากลัว น่ากัวไอ้เรื่องนิวรณธรรมเขาจะเกิดนี่แหพราะั้นเราจะทำอย่างไรให้มันมั่นคงได้นี่เรามาที่นี่มาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมใช่ไหมเราฟังธรรมได้ความรู้เวลาเราปฏิบัติธรรมที่นี่เราหลับตาใช่ปะ่ะใช่ไหมเราหลับตาสึกติดแต่เราออกจากที่นี่ไปเป็นไงเพราะฉะนั้นมันจึงมีโลกอยูส่สองโลก คือโลกหลับตากับโลกลืมตาเราจะต้องเอาวิชาที่อยู่ในขณะอยู่ในโลกหลับตาเพื่อไปใช้ในโลกที่ลืมตาถ้าเราเอาวิชาที่นั่งอยู่ในโลกที่หลับตาไปใช้ในโลกที่ลืมตาไม่ได้นั่นหมายความว่าอะไร หมายความว่าเรานั่งหลับตาเก่งแค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนจะจะได้ชาญร้อยก็แล้วแต่เถอะแต่ไปอยู่ในโลกที่ลืมตาใช้ไม่ได้ก็แสดงว่ามันโดนนิวรณกินหมดมันโดนนิวรณกินหมดนั้นข้อสำคัญต้องไปฟังคลิปบรรยาย เรื่องรู้ลมชมกิริยาวันไหนไม่รู้มีอยู่ในยูทูบเหรอรู้ลมชมกิริยาต้องไปเปิดฟังอันนี้เรามาเพื่อฝึกเหมือนกับมาฝึกเรียนรู้ว่าระเบิดเอ็มหกสิบนี้มันจะต้องใช้ยังไงทำยังไง ปืนนี้ยิงยังไงกระสุนระเบิดชนิดนี้เมื่อเขาระเบิดแล้วก็มีพิกัดในการทำลายแบบไหนเราต้องหลบยังไรต้องอยังไงฝึกฝนไปเ ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, รื่อยๆมันจนเกิดมาเป็นวิ ช, ชาถูกป่ะแต่มันเป็นสนามฝึกพอเราออกไปในโลกวังกามลืมตาคือสนามจริงใช่ปะ่ะไปเจอกับในสนามจริง เหมือนคนที่มาตื่นเช้าขึ้นมาวิง่งเตะกระสอบล่อเป้าตีเขา่าซ้อมปล้ำตีเขา่าเช้าขึ้นมาก็วิง่งห้ากิโลสิบกิโลกลับมาถึงก็เตะกระสอบล่อเป้าชกลมเย็นก็วิง่งกลับมาถึงกระโดดเชือกเตะกระสอบล่อเป้าชกลมแต่ก่อนเดินออกไปข้างนอกเลยโดนเพื่อนตบเปี้ยงก็ล้มฟัม่มตบเปี้ยงก็ล้มฟัม่มใครเตะ ก, ก็โดน แต่หลังจากที่มันมาสนามฝึกเตะกระสอบล่อเป้าโจคลมวิ่งกระโดดเชือกเตะกรสอบล่อเป้าโจคลมวิ่งกระโดดเชือกหลังจากมันมาฝึกอยู่ได้สักพักสองวันสามวันมันเดินออกไปถนนอย่างเดิมไอคนเดิมมาถึงเห็นหน้าทึ่มันเคยเขกกระบ้านอยู่ตบหน้าพอตบปั๊บมือมันบัดปั๊บเออพอเตะปั๊บมันยกเข่าดักปั๊บตามสัญชาตญาณของมันเลยมันมีวิชามันไม่ได้ตั้งใจนะ มันมันยกขึ้นมาตามวิ ช, ชาที่มันฝึกมาเป็นฉัดทาทียานพอจบปั๊บหลบปั๊บสวนมีสวน<อ>ด้วยอันนั้นคือวิ ช, ชาเข้าใจเปล่า น, นั่นคือวิ ช, ชาเพราะเราฝึกอย่างนี้แล้วเราออกไปอยู่กับโลกความจริงเนี่ยเราไปไม่เอาไปใช้ในชีวิตจริงมันก็จะทำให้เราโดนนิวรณกินๆๆหมด นิวนก็จะทำหน้าที่กินหมดเลยเหมือนเราเข้ามาที่นี่ก็คือเอาแก้วน้ำแย่ออกไปที่หน้าต่างยามฝนตกรับน้ำมาสี่ห้าหยดพอลาท้ายแก้วเสร็จแล้วโอ้ยสบายแล้วได้แล้วไปตั้งไว้ผ่านไปเดือนหนึ่งรอฝนลงมาใหม่อแก้วนี้ว่าปลูกไปเป็นไงไม่ใช่แห้งธรรมดานะ เป็นคราบด้วยที่ผู้ได้ฟังแบบนี้หมายความว่ า, วาไอ้ทางที่มันผิดพลาดอะมันเยอะไอ้ทางถูกมันมาน้อยเราจึงต้องฟังทำฟัมเข้าใจแล้วปฏิบัติให้มันถูกต้องจริงจังกับเขาเพราะฉะนั้นถ้าให้มันสรุปออกมาให้ท่านนี่ก็คือรู้โผถทับพารมุมตามระยะเวลาที่เขา ครูดออกไปครูดเข้ามามไม่มีคำพูดอื่นใดที่จะมาร่วมในขณะที่รู้โพธภารมไม่มีสภาวะอันใดที่เราจะไปกาหนดให้มันเกิดร่วมกับขณะที่เรารู้โพธภารมไอคาพูดนี้เข้าใจไม ไม่มีสภาวะใดที่เราจะไปกำหนดให้ก็เกิดขึ้นมาได้ในขณะที่เรารู้โภทะภารมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโซสโตวะสติสโตปัสติมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าคือความหมายนี้หลังจากนั้นตรัสว่าทีคังวาอัตสั้นโตทีคังอัศสามีติปชานาติเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่า หายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวคำว่าออกยาวเข้ายาวคืออะไรคือยาวตามการเวลาที่เรียกว่ายาวนานเหมือนอย่างท่านใช้คาว่าทีคังใช่ไหมทีคังเราเคยได้ยินทีคังไหมเคยได้ยินไหมทีคายุกโโฮตู ระยะทางหรือระยะเวลาฮะทีคายิโกโหตุระยะเวลาใช่ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาละแต่ใดแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับการที่จะเข้าสู่การปฏิบัติ